อาชาวชาอย่างนี้ขอให้พระพิสุสมเณรรวมทั้งแม่ชีอุบาสุกอบาสิกาที่ได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติในวันนี้ เราจะต้องตั้งใจทำคุณงามความดีและตั้งสติให้ดีตั้งใจมองเข้าไปในใจของตัวเองและมีสติรู้อยู่ในใจว่าเรานั้นกำลังบำเพ็ญเพียรภาวนา เพียนหมายถึงว่าพยายามรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรในขณะที่เราหายใจเข้าเราก็มีความรู้สึกตัวว่าลมหายใจเนี่ยมันลงดิ่งเข้าไปในท้องเรา เวลาหายใจออกเนี่ยท้องมันก็หย่อนออกมาแต่ถ้าจะให้ดีลองหายใจลึกๆสักสามครั้งแล้วก็ค่อยๆปลนคลายลมออกให้ท้องแห้งหายใจให้ลึกๆแล้วก็ค่อยๆหายใจออกให้ท้องแห้งสักสามครั้ง ทำไมจึงต้องบอกให้ทำอย่างนี้ในขณะที่เราหายใจเราหายใจโดยที่ไม่มีสติหมายถึงเราใช้ชีวิตทั่วๆไปการระบบหายใจของเรานั้นไม่สม่ำเสมอบางทีก็หายใจเร็วบ้างช้าบ้าง โยที่โดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนเลยในขณะที่เราใช้ชีวิตปกติเราได้เผลอเลอขาดสติก็เรียกว่าขาดปานา น, านุสติคือลมหายใจเราไม่ได้จับมันอยู่หายใจโดยที่ไม่รู้ตัวรู้ว่ามันหายใจ แต่ในขณะนี้เนี่ยการเพียรพยายามตั้งสติก็คือนึกนึกเข้าไปในจิตก็คือจิตวิญญาณก็คือหัวใจของเรานั่นเองหัวใจของเรานั้นโดยปกติเต้นไม่เป็นจังหวะอยู่แล้วพอเรามานั่งสมาธิในขณะนี้เนี่ย เราต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เท่ากันด้วยเรียกว่าหายใจโดยที่มีสติก็คือมีความรู้ตัวแต่ตามปกติเราหายใจโดยไม่รู้ตัวพอเรามากำหนดมันเลยรู้สึกว่าอึดอัด หรือว่าทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่เป็นปกติทำไมใช้คำว่าไม่เป็นปกติก็เพราะว่าเราหายใจโดยที่ไม่เคยถูกกําหนดอย่างนี้ในปัจจุบันนี้พอเรากําหนดหายใจรู้อยู่ตลอดเราก็รู้สึกว่ามันเกร็งหรือว่ามันฝืนอารมณ์นั่นเอง นักปฏิบัติทั้งหลายในขณะที่เราใช้ชีวิตเป็นปกติตามอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลานึกจะหัวเราะเราก็หัวเราะนึกจะร้องเพลงแหกปากโวยวายเราก็แหกปากโวยวายนึกจะวิ่งก็วิ่งนึกจะนอนก็นอนนึกจะทานก็ทาน นึกจะพูดอะไรก็พูดแบบเพ้อเจอไม่ได้พูดด้วยตั้งสติตั้งอารมณ์คิดเสียก่อนอารมณ์ที่แปรปวนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เรานั้นรู้สึกว่าเราเนี่ยพังเผลอในชีวิตอย่างมากเพราะเราเผลอไปเรียนรู้ในสิ่งที่ไปตามหูบ้าง คือได้ยินเสียงเราก็คิดปรุงแต่งไปตาที่มองเห็นเราก็คิดปรุงแต่งไปเอาเข้ามาในอารมณ์ใจของเราเข้ามาในรกรงรังในสมองในจิตจิตก็คือจิตวิญญาณนั่นเองเมื่อจิตวิญญาณเนี่ยมันมีความชินต่อการเพ้อเจอวกเวียนวุ่นวายวนวุ่นวายต่อ สภาวะที่ใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันคิดในสิ่งที่ไม่ไม่ควรจะคิดเราก็คิดได้ยินในสิ่งที่เราไม่ควรจะได้ยินก็เก็บเอามาเป็นอารมณ์ตาที่เรามองเห็นเราก็เอามาเก็บเอามาคิดเอามาเป็นอารมณ์การที่เราคิดโดยเพอ้อฝันไปใน ตามอารมณ์ที่เราคิดเรียกว่าจิตปรุงแต่งเราอยู่ในสภาวะจิตปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ลืมตาในขณะที่อ้าปากเราก็ปรุงแต่งรสชาติอาหารการกินอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เราหูได้ยินเพราะเราตื่นขึ้นแล้วไม่ได้นอนหลับ จิตวิญญาณมันรับรู้แหละเมื่อได้ยินเสียงโน้นเสียงนี้เราก็รู้สึกว่าปรงแต่งตามหูอยู่ตลอดเวลาเรียกว่า น, นิวรณ์ทั้งห้านั่นเองรูปรสกลิ่นเสียงผลตับพระอะไรที่เราถูกจับต้องได้ยินดีหรือไม่ยินดีพอใจหรือไม่พอใจเนี่ย ก็เอามาปุงแต่งอีกเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายลองนึกที่ในขณะที่หลวงพ่อพูดอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นส่วนน้อยที่เราเพิ่งได้รู้ที่มันทำให้ทวานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปิดรับกิเลสตัณหาราคะต่างๆนานาเขาเรียกนาน า, นาจิตตัง คนเราก็ปรุงแต่งตามอารมณ์ที่ตัวเองอยู่ในความคิดก็คือความหมกมุ่นนั่นเองเราหมกมุ่นสิ่งใดสิ่งนั้นก็มาหมกมุ่นอยู่ในความรู้สึกของเราเช่นเราหมกมุ่นแต่ความรักเราก็จะทุรนทุรายใจว่าเขาจะรักเราไหมเนาะ เขาจะยินดีกับเราไหมนออเราก็หมกมุ่นคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานานะการคิดเนี่ยมันไม่มีไม่มีขอบเขตขอบเขตของความคิดเรียกว่าคือการปรงแต่งนั่นเองเมื่อเรามีการปรุงแต่งเนี่ยเรียกว่าวิจิตกิจฉา วิกฤติจิตานี่ก็หมายถึงว่าความรังเลสงสัยมันจะตามมาเป็นเป็นขบวนเลยเมื่ออารมณ์เราเนี่ยตามมาเป็นขบวนเนี่ยความลังเลสงสัยปงแต่งอยู่ตลอดเวลาคุ้นคิดทำให้เราว้าวุ่นรู้สึกอึดอัดใจเห็นไหมมันตามมาแล้วบางทีก็รู้สึกว่าไม่สบายใจ ทุลนทุนลายใจเห็นไหมมันตามมามันตามมาเป็นพายุเลยนะตามมาเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟที่มันติดตู้กันมาเป็นแถวแถวมันวิ่งไปตามสภาวะของอารมณ์ที่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาและเราลองนึกซิว่าเรายังไม่เคยถูกฝึกมานั่งรู้ลมหายใจเข้าออก อย่างสม่าเสมอมันก็เลยรู้สึกต้องมาขุนเคืองอึดอัดใจฝืนใจตัวเองแต่นี่เป็นการฝึกสติสติคือความรู้ตัวเมื่อเรามีความรู้ตัวแล้วเห็นว่าตัวเรานั้นโอโนอ วันหนึ่งวันหนึ่งเราเป็นคนบ้าเหรอเนี่ยที่หลวงพ่อพูดเราอภิบาลความบ้าของเราเนี่ยจนเป็นเหมือนกับไอ้คลั่งทะเลโหดนะเหมือนพายุที่ทะเลมันโหมถมทับเป็นคลื่นเล็กบ้างใหญ่บ้างเป็นคลื่นซัดสร์ทั้งวันทั้งคืนใครที่อยู่ใกล้ทะเลก็ได้ยินเสียงคลื่นทะเล แต่เราไม่เคยได้ยินหรือได้มองเห็นหรือมีจิตใต้สำนึกนึกถึงตัวเองว่าคึ้นอารมณ์ของตัวเองเนี่ยมันเป็นคึ้นอารมณ์ที่เราไปหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์สิ่งอื่นสิ่งสิ่งใดหรือเปล่านอกเหนือจาตัวตนของเราเราหมกมุ่นอยู่กับกิเลสตัณหาก็คือความโลภ หมกบุญแต่ว่าเราจะต้องยึดว่าเรามีบ้านมีเรือนมีแก้วแหวนเงินทองจะต้องมีความร่ำรวยอย่างนั้นอย่างนี้หมกก็หมายถึงว่าสแสวงหาเอามาทับเอามาถมกันที่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยตายทับตายโถมเนี่ยตายกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าความโรบ ทำให้เรานั้นลำบากกากกรรมตะเกียกตะกายสแสวงหาบางคนก็ถูกฆ่าบ้างบางคนก็ถูกป้นสะดมบางคนก็ถูกทำร้ายจนพิกลพิการไปเพราะทรัพ์สมบัติภายนอกสมบัติภายนอกก็คือแก้วแหวนเงินทองที่เราสแสวงหาอยู่ท่านทั้งหลายค่อยๆ ค, คิดตามหลวงพ่อไปว่า โอ้เนาเกิดขึ้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นเหมือนอารมณ์เลยที่เราเกิดขึ้นตั้งอยู่ไว้ไม่ได้เหมือนอารมณ์ที่เราจับไว้เป็นหนึ่งไม่ได้เราก็เสื่อมสลายไปในที่สุดก็เหมือนชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเก<อ>ิดขึ้นตั้งอยู่ก็เกิดแก่เจ็บตายมันก็เสื่อมสลายไป เหลือแต่เป็นกองคิดเท่าผงทุลีชีวิตเราก็เกิดแก่เจ็บตายทรัพย์สมบัติเราหามาได้เราก็ไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปได้ในขณะที่เราตายค่อยๆ ค, คิดไปเมื่อเราคิดแล้วเนี่ยมันจะตัดตัวความโลภเกิดขึ้นเกิดตัวเป็นรู้สึกว่าอันนีจังเป็นของไม่เที่ยง ก็จะเกิดเวทนาใจเกิดขึ้นกิเดธความโลภเนี่ยมันจะรู้สึกหดหูใจใจของเราก็เออเนาะทำไมเราคิดไม่ได้ในขณะที่เราคิดแล้วเนี่ยมีสติแล้วเนี่ยคิดอยู่เป็นเนืองนิดความโลภเนี่ยมันก็จะระงับลงความอยากได้เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเบื่อนหน่าย แม้ชีวิตตัวเองเราก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายที่จะใช้ชีวิตว่าโอ้โนาอเราจะต้องกากกรรมไปถึงอีกเมื่อไรถึงจะตายเพราะรู้อยู่แล้วว่าหลักชัยของชีวิตเราก็คือความตายความเกศชาลา น, นั่นเองเสื้อผ้าที่เราใส่ที่ดูสวยดูหร่อหน้าตาผิวพรรณที่เราเคยเต่งตึงเราก็เคยเห็นปู่ย่าตายายเรา ฟันก็จะหักหนังก็จะเหี่ยวหลังก็จะคุดคดูเดินก็จะไม่ไหวตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินไอหูที่เราเคยใส่เครื่องประดับเนี่ยต่อไปมันก็หูหนวกหูตึงบอกฟังไม่ได้รู้พูดก็ไม่ได้ยินไอฟันที่เราไปดัดสวยงามเนี่ยมันก็หลุดออกไปทีละซี่ละซี่ละซี่ซเหลือตะเหงือก ปากที่เคยง้มสวยเหมือนกระจับทาสีนั้นสีนี้ไอ้ปากเราก็เริ่มจะเหี่ยวง้าลงมาเห็นคนแก่ไหมค่อยๆนึกไปตามที่หลวงพ่อพูดตาที่เคยทาสีนั้นสีนี้สวยๆเนี่ยหนังตาก็ม่านตามันก็ตกลงมาห่อหุ้มตาที่เคยใสก็เกิดเป็นฝ้าฟางเป็นต้อ เป็นต้อกระจกมองไม่ค่อยเห็นผมที่เคยดกดาเนี่ยก็ค่อยๆงอค่อยๆเสื่อมหนังที่เคยเต่งตึงก็ค่อยๆเหี่ยวลงเหี่ยวลงนี่เรียกว่าสมถะสมถะก็คือการพิจารณาเห็นตัวอันได้จังเป็นของไม่เที่ยงปัญญาก็คือวิปัสสนาก็หมายถึงว่า ปัญญารอบรู้ในกองสังขารก็ที่หลวงพ่อบอกเมื่อเรามีสติรู้ตัวแล้วก็มีปัญญาพิจารณาเหุเห็นเหตุเห็นผลว่าชีวิตจะต้องเป็นอย่างนี้จิตของเราในขณะนี้เราคงมองเข้าไปในจิตเราจิตวิญญาณก็คือใจเรานั่นแหละทําไมจิตของเรารู้สึกมันเงียบ จิตของเราเนี่ยรู้สึกมันเบาว่างสบายเมื่อมองแล้วก็นึกนึกเขาเรียกว่ามันนึกมโนภาพก็คือจินตนาการนั่นเองจิตใต้สำนึกเรานึกเห็นตัวอนิจจงเป็นของไม่เที่ยงเห็นตัวเสื่อมเมื่อเห็นตัวเสื่อมเมื่อเห็นตัวเราเนี่ยเสื่อมลงว่าจะต้องเป็นคนแก่ชรา ก็จะต้องตายไปในที่สุดการที่เราอยากได้อยากรู้อยากแสวงหาเนี่ยมันก็รู้สึกหดหูใจใช่ไหมคำว่าหดตัวนี้ก็หมายถึงว่าใจที่เราเคยฟุ้งซ่านว่าเราจะมีเงินสักสิบร้านยี่สิบ้านมีบ้านหลังใหญ่ใหญ่มีรถราคาดีๆมีลูกมีผัวมีเมีย จินตนาการมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยจินตนาการยังไม่เกิดอะไรเลยอยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็แสวงหาไปซื้อหวยบางคนจินตนาการว่าชีวิตเราจะต้องมีสามีภรรยาที่รูปหลอ่อและหน้าตาสวยสวย เราก็จินตนาการไปอีกว่าเราจะต้องยินดีกับคนนี้คนนี้จะต้องเป็นเนื้อคู่ถึงก็ต้องไปให้คนอื่นรู้หรือไปบอกให้หมอดูโชคชะตาให้คนอื่นมาชี้ชะตาเราว่าวันเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรหมอดูคู่กับหมอดาก็จะบอกเลยว่า ราศีของคนเนี่ยทันทีเกิดวันพุธวันจันทร์วันอังคารวันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยก็จะมีกำลังวันอาทิตย์กำลังวันเท่าไรจันทร์อังคารพุธปหัสศุกร์เสาร์เนี่ยมีกำลังวันเท่าไหร่กำลังวันเนี่ยหมายถึงแต่ละวันแต่ละวันเราเนี่ยก็มีอารมณ์ไม่เท่ากันนั่นเอง อารมณ์ก็คืออารมณ์ปรุงแต่งความคิดนั่นเองวันมันก็มีทั้งกลางคืนและกลางวันนะแต่เขาอุปมาอุป ม, ามายขึ้นมาว่าให้ได้เจ็ดวันให้ระยะย่นลงมาให้มันสั้นลงให้นึกอ่ะภายในเจวันเนี่ยเรียกว่นหนึ่งสัปดาห์นะสี่สัปดาห์ก็เรียกว่าหนึ่งเดือนเห็นไหมเขากำหนดวัน กำหนดวันเวลาให้เราเนี่ยรู้วันเวลาของพระอาทิตย์โคจรมืดคำ่ำนะเหมือนกับเรานี้ไม่รู้เลยว่าร่องกดอากาศนะเรียกล่องกดอากาศตำ่ำพายุจะพัดผ่านมาเนี่ยมันหมายความว่ายังไงร่องอ า, อากาศตำ่ำบางคนยังไม่รู้เลยว่าความเย็นของโรคเนี่ย ดันซ้ายขวาเนี่ยมันมากระทบกันมันขับไอร้อนเนี่ยมากระทบกันระหว่างดันซ้ายกับดันฝาคือโรคมันมีสองฝั่งเหมือนแขนซ้ายแขนฝาเนี่ยเราโยกแขนซ้ายแขนขวามาใกล้กันมาตบมือกันมันก็ดังปุ๊บอาการก็เช่นเดียวกันอากาศความเย็นมันก็ไล่ความร้อนทั้งสองฝั่งมากระทบกัน ทำให้เกิดปฏิกิริยนาะเกิดลมเกิดเมฆเกิดหมอกเพราะมันไล่ความร้อนมากระทบกับาอเย็นก็เกิดเป็นมลสมนะแล้วฝนฟ้ามันก็ตกขึ้นนะบางคนยังไม่รู้เลยล้วจะไม่รู้ตัวเองไม่รู้หลักวิยทยาศาสตร์ตัวเองก็ไปหาโหราศาสตร์คือไม่รู้ตัวเองเนะี่ยโง่นะ พุทเจ้าบอกว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวเองเนี่ยว่าที่มาที่ไปเนี่ยคนถึงก็แย่มากไม่รู้ตัวเองก็หมายถึงว่าตัวเองก็ไม่รู้แล้วยังระลึกไม่ได้ว่าเราเป็นลูกใครพ่อใครแม่ใครเราจะมาเป็นมนุษย์สมบัติได้อย่างไรเพราะเรายังนึกถึงพ่อแม่ไม่ได้ในใจเราเนี่ย พ่อแม่เลี้ยงเรามาตั้งรจนโตเนี่ยเรายังไม่เคยตักข้าวให้พ่อให้แม่เราสักจานหนึ่งเนี่ยหุงข้าวสักมื้อเนี่ยให้พ่อให้แม่เราเนี่ยอาจมาเชื่อนะเชื่ออย่างนั้นว่าที่นั่งอยู่ในขณะนี้เนี่ยอาจจะไม่เคยหุงข้าวหุงปลาหาข้าวหาปลาปูที่หลับที่นอนให้กับพ่อแม่ แต่พ่อแม่นี่หาข้าวหาปลาเปรี้ยวหวานมันเค็มตูที่หลับที่นอนเช็ดขี้เช็ดเยื่ยวซักเสื้อผ้าถุงน่องรองเท้าพ่อแม่เนี่ยเหมือนเยี่ยงทาตุนะเขาว่าเยี่ยงทาตเป็นทาตของลูกนะพราะความรักนะความรักความอะไรอารักนะอารรักโดยที่ไม่รู้ว่าการเกิดเนี่ย ค, คือวัตตะคือการเวียนว่ายที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าการเวียนว่ายของมนุษย์ที่ผัดกันเกิดเวียนว่ายอยู่เนี่ยไม่มีสิ้นสุดเหมือนกับสัตว์ที่ว่ายอยู่กลางทะเลโดยไม่รู้วันเดือนปีเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านมองลึกไปก็เหมือนความคิดเรานั่นแหละที่เราใช้ชีวิตโดยที่เราไม่รู้เลยว่า เราจะไปทางไหนตัวเราเองเราก็คิดไม่ได้นึกไม่ออกว่าเราจะเป็นรูปที่จะต้องคิดถึงพ่อแม่ในอันดับแรกเพราะมนุษย์สมบัติเราจะต้องรักพ่อรักแม่รักษาศีลศีลก็คือความสำรวมกายวาจาใจให้ถึงพร้อมผู้มีศีลย่อมงดงาม ทั้งเดินก็งดงามคงพูดก็งดงามการกระทําต่างๆนานๆเนี่ยมันส่อเสียดไปในทางที่กุศลเกิดขึ้นก็คือใครพบใครเห็นเนี่ยก็เกิดความยินดีแล้วก็ศรัทธาคือความเชื่อแล้วก็จะเป็นสุขสีเลนะสุขติงยันติเห็นไหมผู้มีศีลย่อมมีสุข สีเลณโภกสัมปทาผู้มีสินเนี่ยเหมือนมีมีโภกซัพ์เรียกว่ารัพ์ภายในผู้มีรัพ์ภายในก็คือผู้มีสินมีจิตใจที่ดีมีสติดีมีปัญญาดีอยู่ก่อเกิดต่อคุณงามความดีเพราะฉะนั้นผู้มีสินเนี่ย ยอมมีความสํารวมทางกายเมื่อเห็นก า, กายกายก็ผ่องแผ้วนะใจก็รู้สึกชุ่มชื่นใจใจก็รู้สึกผู้มีสินนี่ก็ไม่มีความโลภนะมีแต่การเสียสละมีแต่การให้ลองนึกถึงตัวเองเข้าไปนะปรุงแต่งเข้าไปว่าสัจจคือความจริง เรานึกถึงความจริงในจิตใต้สำนึกของตัวเราซในขณะนี้เนี่ยมันมีอย่างที่หลวงพ่อบอกมั่งหรือเปล่ามันได้เคยคิดบุงแต่งหาเหตุผลความจริงบ้างหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นปลาอยู่กลางทะเลไม่ได้เห็นเดือนได้เห็นตะวันแหวกวายเวียนไป รอในพานมาจับเอาไปกัดเอาไปกินก็คือนั่งรอปรุงแต่งนั่นเองความคิดทำร้ายตัวเองนะไปติดตะข่ายติดอวนของในพานทะเลเราก็ติดหูติดตานั่นเองติดอกติดใจเมื่อติดแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูนะผัวก็ยึดติดเมีย พอผัวตายแล้วเมียก็มีผัวใหม่พอเมียตายผัวก็ไปมีเมียใหม่ลูกเมียใหม่ลูกผัวเก่ามั่วไปหมดมันก็มีอยู่แล้วในโลกนี้ผัดกันเสพไปผัดกันเสพมาคนที่บ้าหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของกลามกรรมลาภะเขาบอกว่ากินอะไรเนี่ยยังรู้จักอิ่มจักเบือ่อ แต่ถ้ากินกามตัญหาเนี่ยลาคะตัวนี้เนี่ยกินยังไงก็ไม่เบื่อเห็นไหมพ่อแม่เขากินกันจนตายจากกันเมื่อพ่อแม่กินเสร็จก็เป็นสื่อให้ลูก ไ, ไปกินกินคนอื่นต่อไปอีกพอกินกินแล้วมันก็มีโทษทันเ็าเรียกว่าปั่นนะ้ำเป็นตัวก็กอ่อหกกันไปกอ่อหกกันมานั่นเองหัวปักหกัำเมนกันไป กำมำกันไปคว่ำมังไห้ามมาาบ้างไอ้ที่ลำบากกันทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าการแต่งงานก็คือ ค, อความรักนั่นเองความรักก็อยู่ด้วยกันทําไมอยู่กันก็คือแค่เสพกันเท่านั้นเองผัวเสพเมียเมียก็ยินดีเสพผัวกินอาหารการกินดีๆกินจนมีกําลังก็ไปเสพกัน จนหมดเลี้ยงหมดแรงแล้วก็แก่ไปเมื่อเสพกันแล้วก็มีการขยายพันธุ์ก็มีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกจนหนึ่งชีวิตหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปี9 0สิบปีและยังอวยพรก็บอกว่าให้อยู่เป็นร้อยร้อยปีหกเจ็ดสิบปีมันก็ไม่ไหวแล้วเดินก็จะไม่ไหวนั่งก็จะไม่ไหวนอนก็นอนไม่หลับ จะกินจะนอนอะไรก็ลำบากไปหมดคนแก่พอแปดสิบเก้าสิบปีแค่หายใจก็ยังเหนื่อยเลยหายใจตัวเองนี่ไปต้องทำงานนะเหนื่อยแล้วมนุษย์ที่อยู่แค่สองหมื่นกวัวนก็สภาพ อ, อนิจจังเป็นเรื่อง <c oughs> ของอนัตตาลนะร่างกายมันเสื่อมแต่จิตใจไม่เคยถูกฝึกให้เสื่อม ตามสภาพของความเป็นจริงเมื่อร่างกายมันเสื่อมละใจก็ยังคิดว่าตัวเองไม่แก่ตัวเองว่าไม่ตายบ้านอย่างบ้านของกูรถองรถของกูลูกเมียของกูผัวกูลูกกูหลานกูไม่มีโอกาสที่จะได้มาถูกฝึกเหมือนกับพวกเราในขณะนี้และมาเรียนรู้ความเป็นจริง เรียกว่าสัจจะคือความจริงโอกาสของคนหลายร้อยล้านคนในโลกนี้คนไทยเนี่ยช่างวัสนาดีนักที่ได้มาพบองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ารู้เหตุรู้ผลแต่ไม่สนใจปรังบังค่าเขาแห่กันมาบวชแห่กันมาปฏิบัติจนเป็นเกจิ ไปสอนฝรั่งด้วยกันดังอึกระทึกคึกโคมแต่คนไทยเนี่ยเฝ้าเฝ้าไหว้พระเหมือนกันมีวัดวาอารามเต็มไปหมดก็จะไปไหว้พระที่ศักดิ์สิทธิ์ขอหวยรวยโปขอให้ลูกเป็นคนดีแต่ไม่เคยฝึกตัวตนที่แท้จริงเพราะ ตัวเองไม่รู้ความเป็นจริงเรียกว่าอวิชามันครอบงำก็คือกิเลสนั่นเองความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันครอบงำมันทำให้เราเนี่ยมนหมองใจเห็นไหมเมื่อเราไม่รู้เหตุรู้ผลเหมือนเราบวกลบคูณหารทำคณิตศาสตร์คือทาเลขนั่นแหละที่ครูก็ตั้งข้อกระทูเลขมาให้เราทำ บวกลบคูณหารมันไม่ได้การบวกก็จะต้องเรียนรู้ว่าเพิ่มเท่าไหร่ลบนี่ก็คือลบมันไปเท่าไหร่หักออกเท่าไหร่หารก็หมายถึงว่าเอาเศษส่วนเนี่ยที่เหลือเนี่ยมาบวกลบคูณหารออกมาเป็นเป็นเศษส่วน <c oughs> ชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเรารู้จัก หักห้ามแบ่งแยกผิดถูกชัว่วดีเรียกว่าสติสติคือความรู้ตัวเมื่อเรามีความรู้ตัวว่าโอ้เนอมนุษย์เกิดมาล้วนแต่เป็นของอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอารมณ์ที่สมมุติก็เช่นเดียวกันมันไม่เที่ยงมันคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเหล่านี้เราเราอยู่แต่การปรุงแต่ง เพื่อเจอบ้าบอใบตามหูตามตาตามปากตามจมูกตามริ้นตามกายเนี่ยไปยินดีปรงแต่งอารมณ์ตั้งแต่เราเกิดมารู้ภาษาเนี่ยมันเป็นพวกบ้าร้อยแปดจำพวกเนี่ยไปเจ็ดขังร้อยแปดจำพวกที่เขให้นับลูกประคำร้อยแปดโลกเนี่ยเขาให้เรานึกถึงแต่ละรูปแต่ละลูกเนี่ย ก็คืออารมณ์อารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยของเราเนี่ยไม่เคยปกติเลยวันหนึ่งคิดร้อยแปดันประการเขาเรียกว่าร้อยแปดพันประการแค่วันเดียวนะและตั้งแต่พ่อแม่สอนเรามาเพราะพ่อแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวอันนี้จังเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยมันคืออะไรก็สอนกันด้วยความสมมุติปรุงแต่ง พ่อแม่ก็สอนรูปสอนหลานของตัวเองให้พูดอย่างนั้นให้เรียนรู้อย่างนี้แล้วก็ไปให้ครูสอนอีกต้องเรียนให้เก่งให้ได้ที่หนึ่งให้ได้ที่หนึ่งของชั้นเลยครูก็ตัดออกมาด้วยความสมมุติว่าคะแนนเยอะออกมาเป็นเกรดเลยเกรดเอบีซเป็นเกรดสามเกรส แต่พ่อแม่ก็ต้องหาเงินหาทองเนี่ยให้ลูกเรียนพิเศษไอ้เราก็ไม่รู้ก็เรียนไปใหญ่เลยเรียนรู้ไปเรียนรู้เพื่อจะเอาไปใช้เอาไปแข่งขันโรงเรียนมหาลาัยก็แข่งขันกันการทํางานก็มาแข่งขันกันการกินการอยู่เอามนุษย์มาแข่งขันกันเอาสัตว์เดรัจฉานมาแข่งขันเอาชัยชนะ โดยการสมมุติตัดสินให้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ผู้วิ่งไวถึงหลักชัยก่อนไอ้ที่แข็งแรงเป็นนักกีฬาก็ตายเหมือนกันไม่มีใครชนะความตายไปได้ไอคนที่เรียนที่หนึ่งก็ไม่มีใครชนะตัวเองไปได้การให้อภัยคนอื่นนั่นคือการชนะใจตัวเอง แล้วการชนะผู้อื่นเนี่ยไม่ใช่ชัยชนะที่ถาวรต้องชนะใจตัวเองให้ได้ว่าเราจะไม่ไม่คิดดีอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องคิดดีเราจะต้องไม่คิดชั่วนะหักห้ามอารมณ์ก็คือสตินั่นเองเมื่อเราไม่สติแตกมีความรู้ตัวอยู่เสมอฝึกอยู่เสมอ ตระทังฝึกให้ใหายใจเข้าออกเป็นกนอุบายให้เรามีสติรู้ตัวรู้ตวนว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ให้รู้อารมณ์สมมติสมมติความจริงกับไม่เป็นความจริงสมมุติว่ามีใครมานินทาเราเรายังไม่ได้ยินกับหูเลยคนเข้ามาบอกนี่เราโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้ะ คนนั้นก็รู้ว่าตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์เราก็ไปไหว้ซะและยังไม่เห็นตัวศักดิ์สิทธิ์เลยคืออะไรเขารู้ว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเรายังไม่เคยเห็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แต่เราเห็นพ่อเห็นแม่ของเราเนี่ยพ่อแม่ไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอือป้อนข้าวป้อนน้ําเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวห่มผ้าห่มปูที่นอนกอดอุ้ม จูงลากไปทุกสถานการณ์กากรรมที่จะให้เราเนี่ยมีร่างกายกำยำแข็งแรงเนี่ยก็พรพ่อแม่พ่อแม่ส่งเสริมให้เราเรียนทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตให้ตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดมาจนถึงทุกวันเนี่ยพ่อแม่ก็ให้เราให้กำลังใจให้ทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย เรายังจะไปกราบเจ้าพ่อเจ้าแม่อีกเหรอตรงไหนล่ะที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าพ่อแม่เออเมื่อก่อนเราทําไมไม่คิดอย่างที่หลวงพ่อคิดบ้างทําไมเรารักคนอื่นมากกว่าพี่กับ น, น้องเราเออเพราพี่น้องคานตามกันมากอดกันมากินนอนรวมทุกสุขอยู่กันทั้งชีวิตพอโตมาแล้ว เริ่มรักคนอื่นมากกว่าพี่กับน้องพอมีลูกผัวตัวเมียก็เริ่มซับใขรบ้านใครบ้านมันลูกมึงลูกกูมึงทีถึงก็ทะเลาะกันพี่กับน้องลูกก็ไม่ถูกกันพี่น้องก็ไม่ถูกกันเี่เ่เาเนี่ยมันก็เลวยิ่งกว่าหมูกับหมากาไกา่ขนาดพี่น้องคานตามกันมายังไม่ถูกกันทะเลาะกัน เออเหมือนหมาเลยเหมือนแมวเหมือนสัตว์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ตบเทียงต่อยตีกันเราลองนึกไปเราก็นึกถึงใจเราอ่ะเอออ๋อสติสติคือความรู้ตัวเขาสอนกันอย่างนี้เขานึกกันอย่างนี้เหละจิตก็หมายถึงว่าจิตใต้สำนึกเรามีสติรู้ผิดถูกชัว่วดีเราก็ ใช้จิตเนี่ยนึกในสิ่งที่ดีๆพอเรานึกบ่อยเข้าชินก็แปลว่าฌานฌานก็แปลว่าชินก็คือหมายถึงว่าย้ำทําบ่อยๆเมื่อเราทํำบ่อยๆ เ, เนี่ยมันก็เกิดความเคยชินนั่นเองชินก็แปลว่าฌานฌานก็คืออย่างรู้เมื่อเรารู้ความดีความชั่วความดีความชั่วเนี่ยเราก็แยกได้เพราะเรามีสติ แต่เราไม่ชินต่ออารมณ์ที่เราเคยฝึกมาเนี่ยสติมันก็แตกแตกก็หมายถึงว่าแตกล้าแตกเล้าฉานนั่นเองก็หมายถึงถ้ามีแก้วกับแก้วแตกภาชนะภาชนะที่มันไม่สมบูรณ์ก็คือสติเราไม่สมบูรณ์ฟงซ่านปงแต่งนึกคิดไปต่างๆนาน า, นาทำให้เราเนี่ยละเมอเพ้อพบไปในสิ่งที่ไม่เป็นสัตว์จริง ขอให้ทุกท่านทั้งหลายเอาไปคิดเอาไปนึกเอาไปฝึกบ่อยๆ<__ <t> <dy> ก็จะได้เห็นว่าความรู้สึกที่เราคิดดีเนี่ยอยู่เป็นเนืองนิดนะเป็นเนืองเนืองเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยนั่งอยู่เป็นอย่างเนี้ยในขณะที่อยู่คนเดียวในขณะที่อยู่ร่วมกับคนอื่นก็ภาวนาในใจว่าพุทโธพุทโธในใจ เรียกว่าปานานุตสติในขณะลืมตาก็พุทโธนึกไว้ในใจเพราะเรายึดอยู่ตรงนี้เนี่ยความฟุ้งซ่านเราก็น้อยลงน้อยลงสติก็มาความคิดปัญญาก็เกิดอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันชินต่ออารมณ์ตรงนี้เนี่ยปัญญาความรอบรู้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นสมัยก่อนหลวงพ่อเขาไม่จะเป็นคนฉลาดเป็นคนโง่เหมือนกับ ถูกตำหนิติดติ่งเหมือนที่หลวงพ่อได้เคยตำหนิพวกเราก็ถูกลุงปู่ตำหนิมาเป็นทอดๆกันมาเหมือนมรดกตกทอดมาครั้นี้ถ้าเกิดพอหลวงพ่อได้ฝึกบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคนไม่ถูกฝึกมาก่อนได้มาก่อนเนี่ยรู้มาก่อนเนี่จะอธิบายให้เราฟังเนี่ยไม่รู้หรอก แม้พูดไปพูดไปก็รู้สึกว่ามันได้แค่นี้มันไปไม่ได้หรอกมันจะไปเอาหนังสือหนังหาที่ไหนมาอ่านอ่านแล้วมันจะจำได้ทุกตัวที่มาสอนเราในขณะ น, นี้มาบอกเราในขณะนี้เนี่ยมันจะต้องมีอยู่ในตัวจิตได้จำนึกที่ถูกฝึกมาดีแล้วถึงได้พูดให้เราเข้าใจได้เพราะเรามีเหตุมีผลในการฝึกจน ชานก็แปลว่าชินนั่นเองชินอย่างรู้นะพราะเราถูกฝึกมายานแปลว่าอย่างหมายถึงว่าอย่างรู้ก็คือมีสติรู้แล้วนะรู้ก่อนแล้วรู้ล่วงหน้าแล้วเหมือนเด็กๆป .5 ป .4 มันมาพูดกับเราพอเด็กอ้าปากเราก็รู้แล้วว่าอ๋อเด็กมันโกหกเด็กมันพูดไม่เป็นความจริง เพราะเราเรียนรู้มาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากรู้อยากเรียนก็ต้องหมั่นเพียรภาวนาให้มากเมื่อเพียรภาวนามากแล้วเนี่ยสติมาปัญญาเกิดจริงๆความคิดนึกปรุงแต่งอะไรเนี่ยก็จะน้อยลงอารมณ์ก็จะน้อยลงอารมณ์มแปรปรวนเนี่ยมันก็น้อยลงนอกแต่ใครจะมามั่วกับหลวงพ่อเท่านั้นแหละ อย่ามอมมั่วไม่รู้วันเดือนปีไม่รู้อารมณ์เนี่ยก็จะเดือดร้อนเหมือนกันเช่นวันโกนวันพระเนี่ยอย่ามอมมั่วกับหลวงพ่อเพราะเป็นวันของหลวงพ่อเป็นวันของพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่คิดถึงวันเดือนปีเนี่ยก็เหมือนเราคนบ้าที่เก็บขยะกินโดยที่ไม่มีสติก็เรียกว่าคนวิกลตจลิต เราเป็นผู้ขาดสติก็เหมือนกับคนบ้านั่นเองบ้าไปตามกิเลกก็คือความโรคโกรหลงนั่นเองเอาระชาวชาอย่างนี้ก็ขาดว่าคงได้อารมณ์ดีวันนี้นั่งรู้สึกมีความแข็งแข็งแข็งแรงในอารมณ์แต่สภาพทำให้หลวงพ่อเนี่ยสัมผัสแล้วเกิดอารมณ์ธรรมที่จะถวายทําได้ พราะเรามีความตั้งใจอ่อนแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานเราตั้งอารมณ์แสดงว่าลุงพ่อเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาทำวัดไม่ได้ขึ้นมาอบรมพวกเราสอนพวกเราสภาพจิตที่มันฟั่นเฟือก็คือดื้อทื่อนั่นเองไม่แหลมสภาพจิตที่มันฟุง้งซ่านสภาพจิตเหมือนเดิมที่มันเคย เกลึกกลัวต่อความชั่วไว้มันเลยขาดความตั้งใจขาดอารมณ์หลวงพ่อสัมผัสแล้วมันเกิดเดือดมันเกิดเกิดโทสะขึ้นแต่วันนี้ก็ขออนุโมทนากับนักปฏิบัติก็คือพระพิสุสัมมเณรรวมทั้งแม่ชีอุบาสกบาจิกา วันนี้เป็นอารมณ์ที่ดีนะลื่นไหลแสดงว่าพวกเรานั้นมีสภาวะจิตที่ดีขึ้นไม่เหมือนเมื่อวานเพราะว่าขาดไปสามวันหลวงพ่อก็จะขึ้นมาวัดอารมณ์พวกเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนในสาราถ้าหลวงพ่อขึ้นรับแขกถ้าขึ้นติดต่อกันสองสามวันเนี่ยคนจะหลั่งไหลเข้ามาเยอะ แต่หลวงพ่อไม่ขึ้นนานๆเข้าไปก็สัมผัสว่าในสลาเนี่ยดีหรือไม่ดีคนที่เข้ามาคนที่อยู่ดีหรือไม่ดีเหมือนการทําวัดเนี่ยหลวงพ่อก็สัมผัสเอาเหมือนคนที่จะเข้ามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็สัมผัสรู้ว่าจะมาดีหรือไม่ดีรู้อารมณ์ของเราจะรู้รู้ก่อนเลยเห็นหน้าก็รู้เลยวันนั้น ที่เขาบอกว่ายานแปลว่าอย่างอย่างรู้ชาญแปลว่าชินเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้ เ, นเมื่อเรามีชินมีชาญอย่างรู้มียานอย่างรู้เนี่ยแค่สัมผัสก็รู้แล้วไม่ต้องมากอโหกกันลหล้กหลวงพ่อไม่ได้มียานมีชาญมีเป็นผู้วิเศษอะไรแต่ค่อยๆละเศษกรรมออกไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้หรอกเมื่อวานก็ไปเลี้ยงควา ย, ยนเย็น แล้วพวกเราก็ไปทำหน้าที่ของเราวันหนึ่งวันหนึ่งก็ให้อยู่ในปานานุสติเข้าไว้เดี๋ยวก็ออกพรรษาแล้วนี่หมดครับ